อยาก จ, จดหนังสวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมแล้วก็เป็นวันที่หนึ่งที่แนะนํานกรรมฐานเรื่อการแนะนำกนรรมฐานสามวันนี้ขอพูดตามเสียงมีนะเสียงไม่จะหมดตอนไหนเริ่อตอนนั้นถ้าเสียงยังไม่หมดวเวลาหมดก็เลิกเรื่างอะไรทำไมอ <S <S อเออละ เดี๋วถอยห้าหัวผู้ชัดเนี่ย <c oughs> เวลาหมดก็เลิกเวลาไม่หมดเสียหมดก็เลิกก็เป็นว่าการจเจริญพระกรรมฐานขรมมุดาท่านพุทธัิสัตว์ตอนหลังๆนี่ขอพูดตามแนวที่พระเจ้าสอนคือว่าพระพุทธเจ้าเวลาจะสอนที่ไหนไม่ได้หวังว่าคนนี้ต้องได้ชันหนึ่งสองสามสี่ห้า ท่านมุ่งความเป็นพระอริยเจ้าแต่ความเป็นพระอริยเจ้านี่ทําไมเขาเป็นยากคําว่ายากก็เพราะว่าคนที่พูดไม่รู้จักพระอริยเจ้าทีอ่อย่างหนึ่งอ่านหนังสือไม่จําดูตําราแล้วไม่จํา้องขอผู้ตอนต้นก่อนตอนต้นก่อนที่เาจะเป็นพระอริยะ ก็ดูตัวอย่างพระเจา้าพุทธิสารเปก็กษัตริย์พระเจ้าพุทธิสารนัเป็นกษัตริย์แต่ตอนต้นเราทีเดียวก็ไม่มีพุทธศาสนาในศาสนาพราหมณ์ท่านในนามพระโกเรศรามเชื่อเดิมในเมื่อสรางพระเจ้ากออกจากเมืองออกจากมหาวิทยาลัยสุโขก็เข้าใจว่าทะเลาะกับใครเร่องนีมนุ์ให้ท่าเปประทับในเมือง จะขอแบ่งเข้ามาให้คึ่งหนึ่งมอบนั่นให้คึ่งหนึ่งเป็นมาอุปราดพระเจ้าบอกไปใช่ฉันไม่หนีใครเข้ามาฉันเบื่อความเกิดแก่เจ็บตายจะสงสัยคนทั้งโลกตรองมีความเกิดแก่เจ็บตายต้องการจะแสวงหามมอบก็ะทำกระทำเพื่อพ้นจากความตาย <c oughs> พระเจ้าพุทธสารก็เลบอกว่าถ้าบรรลุมอบอะไรเขารดองค์กรพระเจ้ากทรงรับ ที่องค์สมเด็จพระสภาทศภาคบริวรสัมมาสัพพทสยานแล้วองค์สมเด็จพระบรทท่แกวมาเทศครั้งแรกลายแรกับพรรณยาวก็คืวิวสี่ตั้งห้าก็ไม่ด้เทศไล่ถึงสมาธิสินสมาธิปัญญาโดยเฉพาะเทศอริยสัจต้องขอโทษอริยสัจใช่ไหมั้อลงได้ลงธรรมธรรมจักนะลงธาตรธรรมธรัก อะไรสัตว์ที่ต้องลงท้ายอยู่เสมอเนี่ยถ้าต่อาก็พบใครก็ตามก็ไม่เทศอย่างเราเทศกันในเมื่อพระพุทธวิมุสารก็ทรงเทศพอเทศจบเราพระเจหธิุสารเป็นประสดาบันเพราะความเป็เจิมากการปรสูติบารดาบันพระมสสรเป็นยังไงทั้งที่ไม่เคยฟังเทศมาก่อน ในรู้เรื่องมาก่อนพระเทศจบพระเจ้าพิณใสก็เป็นพระสสโสดาบันแล้วก็ต้องจากนั้นด้ยวยว่าครึ่งหนึ่งเป็นโสดาบันอีกครึ่งหนึ่งเข้าถึงใจสนาคมก็ลงความว่าประโสดาบันใจธนารคมมาคล้ายคืนกันตจธนาคมมีอะไรบ้างครึ่งหนึ่งศีลสองสมาธิพระโทษพเจ้าพระธรรมประสงค์แล้วต้องมีศีล มีสมาธิมีปัญญาไอาาวว้ข้ามศีลสมามโตเว้นเข้าถึงใจสนาของพระพุทธเจ้าพระธรรมสวงท่านแนะนําให้เว้นจกนากการปฏิบัติเป็นต้นเมื่อสั่งให้เวน้นพระเจ้าพิมพ์สันก็ตั้งใจเวน้นทุกคนก็ตั้งใจเวน้นเมื่อตั้งใจเว้นก็เป็นคนไม่ศีลแต่ว่าคนที่ไม่ศีลได้ก็มีสมาธิสมาธิมาจากไหน มาจากการตั้งใจฟังตั้งใจคิดตามตั้งใจปฏิบัติตามนั่นคือตัวสมาธิตัวปัญญาก็คิดตามว่าเอตการณ์ที่จะฆ่าเขาก็ดีจะขโมยเขาก็ดีเลยเป็นชู้เขาก็ดีโกหกเขาจะได้โ ก, กียังอะไรตนต้นมันเป็นปจัจจัยแห่งความทุกข์ไม่ทาตรงความลงความเป็นพระอริยะพระเจ้าต้องการเนอันดับแรกเป็นของไม่ยาก ที่า็นายายิยมพุทธบริษัท <c oughs> ก็ชิงเรืการเทศประเภทงูเลยทําไเลยไปเลยมาเลยมาเลยไปไม่ลงไม่เลาช่องเพราะอะไรเพราะว่านักเทศไม่รีไม่ไม่ยอมรับความเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็ชอบยกตำราหนึ่บ้า ง, างยกตำรานี่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่ายกทรงสมัมยไปพ้กันเหมือนกัน เป้าหมายน้่เป็นแทะแคะเลยชิมุนข้ระดีเป็ น, นเดียวหมาตอนนี้เราก็มาคุยกันยาวพระจ้าสังเทศเจา้าสังเทศอะไรบ้างอันดับแรกหนึ่งขอทุกคนมีสินถ้าท่านฟังคาว่าสินก็ตั้งใจขื้ว่าสินคืออะไร สิ่งคาว่าสิ่งเราปกติของทุกอย่างถ้าปกติมันเป็นของดีถ้าผิดปกติมันเป็นของชั่วอย่างแก้วถ้าไม่แตกไม่บินใสสะอาดบริสุทธิ์เทอาแก้วดีทำมัวไปหน่อยเราเถือแก้วไม่ดีเท่าเล่าไปนิดเราเถ่าแก้วไม่ดีถ้าแตกเท้าแก้วไปดีมากข้อนี้ฉั้นใด คนเราก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ทุกคนไม่ยอมรั บ, บพะระพุทธเจ้ามาทำพระอริยสงฆ์แล้วก็ทาเขาต้องทำตนให้เป็นคนปกติตทาทุกขเจ้าของต้องการขึ้นหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ถ้าตาบุดาคมก็ดีใส่ ก, ก็ดีจะมีสภาพต้องการมีความเป็นอยู่เป็นสุขให้ต้องการให่นีใครมารบ ก, กวน ไม่ต้องการายให้ใครมาทำรายร่างกายไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าถ้าเราไปฆ่าเขาถือเราเป็นคนิดปกติเขาไล่ฆ่าเราเขาเป็นคนผิดปกติไม่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างสงัดต่างคนต่างมีความรักซึ่งกันและกันร้อยสไม่ตาก็ถือว่าเป็นคนปกติต่างคนต่างปกติต่างคนต่างก็มีความสุขข้อที่สอง เขาบอกว่าทรัพย์ส้นแบบทุกอย่างทุกคนไม่ต้องการการยื้อแยง่งไม่ต้องการการมาลักมาขมมนมายื้อมาแย่งไปเราก็เส้นเดียวกันเขาก็เส้นเดียวกันถ้าเราติ๊กอยากจะได้ทรัพย์ของเขาโดยไม่ชอบธรรมหรือเราผิดปกติเขาอยากได้ทรัพย์สินแบบของเราโดยไม่ชอบธรรมเขาก็ผิดปกติถ้าต่างคนต่างปกติต่างคนต่างยอารับก็ถือสึ่งกันและกันซึ่งกันและกัน ฉะนั้นหมายความว่าทรัพย์ของเขาก็ทรัพย์ของเขาทรัพย์ของเราก็ทรัพย์ของเราเราไม่ร่วมเกิกนทรัพย์ของเขาเขาไ ม, ไม่ร่วมไ่วเกิกนทรัพย์ของเราไม่ต้องมีวัแยใส่บ้านไม่ต้องกม่ต้วงมีประตูหน้าต่างขโมยก็มาขับบ้านถ้าทุกคนปกติอย่างนี้ต่างคนต่างก็มีความสุขอันนี้คนที่มีความรักอยู่วิสามีปัญญาอยู่ ผู้คนต่างสมนความควรักซึ่ง <secure> ก <Stamp> ันและกันยอมนับต้อถือึ่งกันและกันไม่ละเมิดความรักซึ่งกันและกันทุกคนก็ปกติมีความสุขวาจาก็เช่นเดียวกันวาจาปกติคือวาจาจริงถ้าวาจาดีก็ได้เป็นหนึ่งวาจาจริงสองวาจาอ่อนหวานสามวาจาพวยเกิดความสารัคคีสี่วาจาทรงตัว ไม่เพอเจอเหลวไหลถ้าเรามีวาจาทั้งสี่ประการนี้ทรงตัวเขาก็เราก็เช่นเดียวกันทุกคนก็มีความสุขก็ปกติปกติเราชอบอย่างนั้นที <c oughs> ่ประการที่สี่ทุกคนไม่อยากเป็นบ้าให้คนบ้าเพราะความเป็นโรคเขาว่โทษสุราเพราะฉนี้เรายังไม่ตายโทษสุราจะไม่กําเริบโลกก็โทษเก่าจะเไม่กาเริบ นั่นเราก็เพิโลกใหม่ไปคือกินเหล้ากินเหล้าน้อยก็บ้าน้อยเหมือนๆมากไปหน่อยก็ชักมากบักปะมาณมาบบักไปนิดหนึ่งถ้ากินจต็ที่เมาเต็มตัวก็บ้าเต็มตัวถ้าคนเบ้าคนกินเหล้าคนเมาเป็ค น, คคนไร้สติถ้าเราเป็นคนไร้สติเราก็ได้ความสุขเขาไร้สติเขาไร้ความสุขถ้าต่างคนต่างม่สติทั้งปียะทุกคนก็มีความสุข แค่นั้นพระเจ้าจะลองท้าเษีเลยทัศนติยัญติถ้าบุคคลใดมีปกติอย่างนี้จะมีความสุขฤษีเลยนะภก็สมัมมาท่าถ้าปกติปฏิบัติอย่างนี้จะมีทรัพย์สมบัติไม่สิเปลืองไม่เดืร้อนทรัพย์สมบัติฤษีเลยในทิฏฐิยัญติถ้ามีปกติอย่างนี้จะไปพระมิพานได้โดยง่ายใช่ไหมตัวกลางม่าพพุทธเจ้าต้องการทุกคนปกติ เราก็มีความต้องการความเป็นปกติชาวบ้านเราต้องการเป็นปกติแต่ถ้าเราไม่ปกติก็ใช้ไม่ได้เช่นคําสอนพระเจ้าคือ ก, การจริการสถานมดามุตุบริษัทคํำว่าสมาธิคือการตั้งใจจำให้ดีนะไม่ต้องตั้งท่า ม, มากการนั่งฝวกสมาธิตั้งลมหายใจเขาออกเป็นของดีไม่ใช่ไม่ดีในการปลุกอารมทรงตัว อันดับแรกตั้งใจเลยบ้างอแรกตั้งใจคิดถึงตามความเป็นจริงว่าคนทุกคนที่เกิดมาในโลกต้องตายทั้งหมดเขาก็ตายเราก็ตายการตายนั้นมีสภาพศูนย์ไหมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ศูนย์ถ้าตายเพราะสายอารมณ์ดีก็ไปสู่สวรรค์บ้างไปสู่มรลกบ้างไปนู่ผ า, านบ้าง ตายเพราะอารมณ์เสียไปเกิดเป็นสัตว์บ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสัตนรกบ้างแล้วเมืม่อทราบบั ญ, ญาัติอย่างนี้ก็หาที่พึ่งท่า น, นคืนนึกถึงพระพุทธเจ้าการเพื่อเก่าวพระอาจารย์พระพุทธัทงพ น, นังอาชาไม่เข้าเจ้เขาขถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมังส น, น, นังอาชาไม่เขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง สั่งท้าวสนงังราชามิขอถึงพระสงฆ์ไม่ดิพึงอ็ใจเขาไปยอมรับตถือพระพุทธเจ้ายอมรับตัะถือพระธรรมคำสอนน่ายอมรับแต่ยอมรับถืๆๆๆอพ ร, ร, ระอริยสงฆ์ <c oughs> การยอมรับตั้ถือไม่ให้กล่าวเฉพาะวาจาต้องปฏิบัติตามด้วยพระเจ้าบอกว่าถ้าต้องการไปดิพึงกำเนิงปานนาฏิปาตาเวจันนีแล้วนี่ปเป็น จงเว้นจากการฆ่าสัตว์จงเว้นจากการลักทรัพย์จงเว้นจากการมาพุทธิในกามจงเว้นจากการมั่วฟุ้งมสาวาดจงเว้นจากการเดือดร้อนไรถ้าเราเป็นคนมีสมาธิจริงฟังแล้วก็ต้องตั้งใจฟังตั้งใจตั้งใจปฏิบัติตามตั้งใจคิดตามตั้งใจอธิการ ต, ตัวปัญญา แล้วก็ปฏิบัติตามทุกอย่างไม่อยอมละเว้นแล้วเมื่อเราปฏิบัติได้ทุกอย่างทั้งห้าประการทั้งหมดหนึ่งนึกถึงความตายสองจอมล้วตระเวนพะเจา้าประทรนพระอริยสงฆ์สามมีสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เขาถือว่าผู้เข้าถึงเข้าใตาสนานคมมย่างเคร่งเครียดอย่างสูงสุด ท่า น, นี้พระพธเจ้าเวลาเทศน์ตันฑ์ท้ายด้วอริยสัจว่าทุกคนจะเห็นทุกความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความพัฒนาใจา้องรักของชอบใจเป็นทุกความปวดไข้ไม่สบายความทุกข์ความตายเข้ามาถึงเป็นทุกข์มันทุกข์ไปหมดโลกทั้งโลกเต็เมไปด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขเราก็จํา เราก็มานั่งนึนตรงตัวเราเองว่าวันแต่ละวันเรามีความสุขก็มีความทุกข์บางทีกําลังใจเรามีความสุขแต่ร่างกายมันทุกข์มันต้องทํางานเลยยากเนื้อการต้องทํางานมันเหนื่อยมันยากมันก็ทุกข์ถ้าเราเกิดอย่างนี้อีกกี่ชาติมันจริงจะพ้นทุกข์อีกกี่แสนชาติต่ตามเมืยังเกิดอยู่ก็ยัมีทุกข์อยู่ถ้ามันจะสิ้นทุกขจริงๆก็ต้องพอดิพาน ก็ตั้งใจตามพระเจ้าที่พระเจ้าทราสง ส, สอนนว่าขึ้นชื่อว่โลกทั้งโลกเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงคนก็ไม่เทียเท่ยงสัตว์ก็ไม่เที่ยงวัตถุธาตก็ไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้ น, น, น, น, ม, น, น, น, ม, นมีความสลายตัวไปในท่กากลางมันมีนนความส่วนในกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด โลกทั้งโลกเต็มไปด้วยความทุกข์จะไปหามุนไหนของโลกที่มีความสุขมันก็ไม่มีบ้านเรามีความทุกข์จิ้มกันบ้างขักคอกันบ้างหิวบ้างกระหายบ้างโพดชาวบ้างปวดชาวปัสวะบ้างปวดใข้ไมาสบายบ้างแล้วก็มองเห็นบ้านอื่นว่าเขามีความสุขไปดูเขาบาข้างพอไปถึงบา้ า, บา น, นขเข า, าก็บางทีเขาจะทุกข์มากกว่าเราทะเลาะกันมางกว่บ้านเรา ยังบ้านไหนที่จะอยู่บ้านเราที่มีคนตายเกิดขึ้นเขากระด้างนี้นก็บ้านนั้นเขาไม่ตายเขาไม่มีความสุขเจ้าความจริงทุกบ้านที่ตั้งอยู่ถ้าตั้งนานหน่อยเขาต้องตายมีคนตายทุกคนมีญาติผู้ใหญ่มีปูท่ทวดญาติทวดตาทวดยายทวดตัวตามเพิ่งเลยทุกป่ายังมีเพื่อนญาติผู้ใหญ่เจ้าตายทั้งหมดตั้งยังบ้านไหนบ้าไหนที่ยังมีคนตาย กงความโลกทั้งโลกจะมันไม่มีความสุขนหนึ่งไอ้จังเป็นของไม่เที่ยงสองทุกของทุธานตาสลายตัวคือตายตอนนี้ลูก ท, ท, ก ท, ท, กทรงให้มียาขนาดหนึ่งเราษาโลกคนไม่ตายหมดไม่ตายนะครับครับพวกคนฟังกดีนะเป็นยาพระเจ้าเองชื่อดามทีสาขธมี เธาเป็นลูกคนจนต้้งาจให้ฟังไนะงคราบจะจดยังง่วง <c oughs> ไอ้ฉันี็จะไม่มีเสียงละ <c oughs> เป็นลูกคนจนไม่มีมหาเศรษฐีคนหนึน่งมหาเศรษฐีนะ <c oughs> อย่าพูดเร็วเพราะเร็วก็เป็นมหาเศรษฐีไปท่านมหาเศรษฐีมาวันหนึ่งปรากทองคาทั้งหมดร่างกายเป็นถ่านเชิงไป ไม่ทานไม่เฉยแน่<า>ไม่มีเครืง<า> ก, ก็ตกใจถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าคนมีบุญย่อมมีอยู่จงเอาถาม น, นี่ไปไ ป, ไปตากที่ลานบ้านแล้วก็นั่งสังเกตดูไม่ต่อไปทั้งหมดแบ่งบางส่วนเอาทองคํำมานนเียไงถ้าถ้าผู้ชายมาทักว่าทําไมที่เอาทองคําคมาตาก้านบ้านเขาไปดูทองคําที่เก็บ ถ้ามันเป็นทาขึ้นมาให้รับเป็นลูกชายแร้วลกูกแล้วลูกคนถ้าเป็นพยให้รับเป็นลกูกสะภ้ันนี้จีสายก็จะมีเคยเป็นสาวรุ่นนุ่นจะใบใจของตลาดเดินผ่านไปเข้าเห็ตายไปสองคำเก็ถามว่าคุณลุงทำอะไรฐานมาวางกันตาที่ตรงที่กลางลานหน้าบ้านไปเด็กก็มจะรัก ที่ได้สทิติมัเข้ามาวิ่งไปดูคนที่ทายทันทองวิเก็บก็ไปทองทั้งหมดก็ร้องความว่าก็ยอมรับรับเอาไว้เป็นโลกสัยนะตย์ได้นะเขาไปแทบโดยนั่นนะต้องไปตรลงกับแม่เขาก่อนนะเขาเรียกว่าต้องมีลาตากับพี่โบราณแล้วใช่ๆช่ต่อมากีส่สนคนจมีเถก็ตั้งคัน จะบมีทองเลยคนก็มีทองทุกคนนะยอ๋อากา็น ค, คนที่ั้งเนี่ยมีทองมีไหมไม่มีเลยนี่ยังไง ก, กั น, นฮะยไง ก, กันแน่นนมเขาดีใครเเธอตั้งใครขึ้มาเขาเป็นคนแรกต่อมาลูกเธอก็ตายเธอไม่เคยพบคนตายในบ้านของเธอเพราะเป็นลูกคนแรกใช่ไหม พ่อแม่ก็ยังหนุ่สาอยู่จ <c oughs> ึงพาไปหาหมอบอกลูกตายแล้วรักษ า, าไม่ได้เธอก็ไม่เชื่อพาไปหาคนนั้นบ้างบางาคนนี้บ้างาลงางุ้มไปท้ายที่สุดก็มีท่านมาลิขิตหนึ่งบอกว่ามีพระพุทธเจ้าองคเดียวที่จะเรากาโรคไม่ได้พระพุทธเจ้าเรากษาไม่ได้เธอก็ไม่ไปเรากษาได้เธอก็ไปหาพระพุทธเจ้า พอรว้กลับพรเจ้าพระเจ้าบกโอ้เด mmm. ็กตายเลยไม่เป็นไรฉันมียาแก่แต่ว่าเธอต้องหาไม่ทำไมไม่ทำมาประกาศนะให้ไม่เล็กไปประกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายมาสิบเม่หนึ่งให้ถาถาถ้าถ้าคดาส้าถ้าาถ้าถ้าถ้าถาถ้าถ้าถ้าถาถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้ีถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถาถ้าถาถ้าถ้าถ้าถ้าถาถ้าถาถ พระองคเค้าหาบ้านคนตายไม่ได้คือยอมรับแต่นีุดนั่งเธอฟังเทวดาพระเจ้า ก, ก็เป็นพระโสดาวันแล้วใครอยากจะไม่ไม่ต้องการตายนะใครหาพันธ ก, กิจก็ได้มาเคือก็ได้อะไรก็ตามใจชอบบ้านที่ตระกูลที่มันมีคนตายให้ฉันนี่ทํำยาให้โอ้ <c oughs> มีอย่างนี้กด้วยนะทำไมล่ะก็ะทุกบ้านส่วนมากก็ต้องมีคนตายอยู่ตรงนั้นแหละครับไม่ใช่ส่วนมากทุกบ้านเนี่ยมันตายทั้ง ก็เป็นนว่าในที่สุดเทวีริโสดาบันนั้นเวลาญาติโยมพุทธบริษุททั้งหลายพุทธมาพระพุทธเจ้เรื่องต้นอย่ากรู้ว่าพระพุทธเจ้าเวทเพศต้องการทุกคนเป็พระอริยเจ้าไม่ใช่กานั่งสอนให้ภาวนาพุทโธธรมโมสั้งโค้ดโดยเฉพาะการภาวนาพุทโธธรมโมสังโคนั้นเป็นของดีไม่ใช่ไปดีเป็นการรักษาอารมณ์ให้มีการทรงตัว ถ้าราองทรงตัวมากเท่าไรสมาธิก็เป็นกระรองสูงมากเะนั้ น, นมื่นแจิตมีสมาธิปัญญาก็เกิด <c oughs> เป็นความจริงที่เราจะต้องป็นความดีที่เราต้องปฏิบัติตามจะต้องทำแต่ว่าจงอย่าหลงแค่สมาธิเรื่อนี้มีมากมีคนเคยปฏิวัตินับสิบพอเจเลยกรรทํามาแล้วตังต้งยี่สิบปีเห็นไปถึงไหน ถ้าไม่ถามเข้าภาวนาดีบ้างไหมดีบ้างดีบ้างไหมดีบ้างเอาแค่ภาวนาไม่ใช่ปัญญาเขาถามว่ารู้จักพระโสดาบันไหมรู้จักครับถามไปยังไงพระโสดาบันครับถามรู้จักโสดาบันจะบอกว่าโสดาบันครับถูกต้องไม่ผิดใช่ครับก็เรืวองของโสดาบันมันโดยขอพไม่หนักขึ้นหนึ่งเมื่อถึงความตายเคยคิดไหม เคยครับ้าลืมไหมลืมครับ oh. ใช่เล่ตอบกั่ความพูดสัตว์อ้าวต้องพูดคือตามิงเรารู้แล้วมัเคก้โหกไม่ได้หรอก้ห้ uh huh. าการด้วยสองโยมเจริญสมาที่ดะสิบห้าบริสุทธิ์ไหมมันบริสุทธิ์ตั่งให่บริสุทธิ์ตั้งครับบอกดมีมากหาทาไมที่เราอยูกี่แสนปีก็ตามโยมก็ยางตกนรกเรื่องเนี่ย น, เ น, เ น, oh. นี่นี่ดีมากครับพ่เลยฮะ นี่ครับว่าดีมากนั่นดีมากจรกิงลงลบได้มากเกกนี่ยใกล้คนจะเป็สมาธิแล้ไม่ไม่นึกถึงสีนี้ชั้นห้าไม่มีใช่ไหมคร<บ>ับเมื่อั้นห้าไม่มีสมาธิอยู่ทรงตัวได้อย่างไงทรงตัวไม่ได้สมาธิอยู่ทรงตัวได้เขากำลังของสีนี้เกิดได้นั่นบอว่อังเกะแต่พระโสดาบันไม่มีอะไรมากเมื่อนึกถึงความตายเข้ไว ว่าการตายจะไม่มีเกิดวในวันพรุ่งนี้เราอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอจาได้ไหมจะรโ้จำได้ถ้าการที่สองยอมับถีพระพุทธเจ้าประทานพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจทําได้ไหมทําได้ถามว่าประการที่สามที่พระพุทธเจ้าอริยสงฆ์ก็ดันนำไปเพราว่าชี้เละไมกได้โยม ถ้าต้องการให้พระได้ริเพิ่มจํานึงอย่าฆ่าสัตว์สองอย่ารักทรัพย์สามอย่าพูดบในตามสี่อย่าู้โมเสาวาาให้จะเป็นสลาเบรย์จำได้ไหมจำได้ครับถามว่าต้องห้าข้อยังจาได้หมดหรือยังจำได้หมดปฏิบัติได้หมดไหมไม่หมดครับไม่ื่นจริงตอบเขาต้องตรงไปตรงมาพอพระโยมต้องการให้สมาธิพระโยมดีหนึ่ง ต้นึกถึงความตายไว้เสมอไม่เองความตายในการที่สองยอมรับตัวถือพระพุทธเจากก้าเขาทำพระอริยสงฆ์ในการที่สามได้เหนห้ามบริสุทธิ์แค่ประกาศที่สี่จงเข้าใจาโลกทุกโลกมันเต็ไมไปด้ความทุกข์นั้นสัตวโลกก็ทุกข์เทโลกภูมิโลกหยุดทุกข์ทุกข์คราวเมื่อพ้นจากความสุขก็มาเจอทุกข์ใหม่ไม่อยากต้องการต้องการผลิพานจุดเดียวทำได้ไหมเจ้าบอกทำได้ เร ก, กลับไปบ้านก่อน1ิบห้าวันมาหาชั้นใหม่แล้วแกก็ไปแล้วแกก็มาเพมาถึงนด้ถามว่าโยมสึนท่าได้กี่ข้อได้สามข้อครับโอ้โหพอโยม่อ้สองขุมนโยมนะมันห้า <c oughs> ขุมใหญ่นะไอสองขุมกลับไปซ่อมมันดีแต่ก็เก่งมากเลมีคนนะ เ, เก่งมากหายไปสองเดือนกลับมาก็จะบอก สบายมากครับทุกอย่างเรียบร้อยหมดให้พว่าอย่างทาทำไมานละ่ะพอที่ท่านบอกผมไปแล้วผู้ทําได้หมดบอกคืยียงทําได้หมดแค่นั้นมันยังหมดยังไม่หมดที่สุดต้องพายหมดที่สุดก่อนถ้ามีอะไรต้องตัดอวิชชา<ฮ>แก้เท้าอวิชชาไป็นไงบอกเจ็บไปก่อนนะ ไปทรงตัวความเบลโซดาบันให้ได้ก่อนแล้วอวิชามันจะไปเองอะไรเวลาญาติโยมพุทธบริษัทที่เรามาเราไปประจะไม่ได้นะอาจจะมารอบบเสียงแล้วตั้งใจขอตั้งใจตั้งใจสมาทานสิ่ตที่มาทานกรรมฐา น, น